สามจหนึ่งสี่ใช้ชีวิตปกติภาวนาไปเลยวงเล็บเปิดยี 24, ่สิบสี่พฤศจิกายนสองพห้าอสี่สิบ้าวงเล็บปิดงานในโลกนี้ไม่เคยเสร็จหรอกถ้าคิดรอให้งานเสร็จแล้วจะภาวนาชาตินี้จะไม่ได้ภาวนาต้องภาวนาไปเลยทำงานไปก็ภาวนาไปนี่แหละใช้ชีวิตปกตินี่แหละภาวนาไปเลย กรรมฐานที่หลวงพ่อสอนให้คือการดูจิตดูใจนั้นเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองคนที่ทำงานที่ต้องคิดมากๆทำกรรมฐานอย่างอื่นไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในคำพีบอกว่าการดูจิตนี่เหมาะกับพวกที่ถิจจริตพวกคิดมากเพราะดูได้เลยนะไม่ต้องทำฌานก่อนแต่ถ้าดูกายต้องทำฌานก่อนครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทาฌานทาฌานแล้วมาดูกายถูกอภิธรรมเป๊ะเลยถูกกันเป๊ะเลยนะท่านถึงได้ผล พวกเราลุ่นหลังๆนี่นะทำกรรมฐานวิธีโน้นวิธีนี้ส่วนมากดูกายนะรู้ลมรู้ท้องรู้เท้ารู้มือรู้กายทั้งกายแต่ไม่ทำสมถะใจจึงไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาได้จริงก็ได้แต่ไปเพ่งเอารู้ลมก็เพ่งลมรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้ท้องก็เพ่งท้องรู้มือก็เพ่งมือรู้กายทั้งกายก็เพ่งมันทั้งตัวเลยเลยไม่ได้ผล มักผลนิพานเหมือนกับของอะไรที่ยากเย็นแสนเข็ญฝืดฝืดฝืนฝืนเอาไม่ได้สะทีได้อย่างมากก็แค่สมถะ